แต่พระพุทธเจ้าสอนข้อปฏิบัติเป็นอุบายให้เราละขอนคิดมานะไม่ใช่ว่าท่านปฏิบัติให้สาวกทั้งหลายไปฟังธรรมแต่เพราะพระพุทธเจ้าของเรานั้นมีความเห็นแตกกัน เช่นพรวกคคริเป็นต้นก็ไปเห็นองค์สม็จพรสมาสัมพธเจ้าของเรานานเสียงท่านก็ไพเราะรูปท่านก็สวยกิริยาท่าทางท่านก็งอามมากลืมตัวก็ไปจีดอยู่ตรงนั้นแหละจิดตรงกิริยาของสรมปชัญญาจีดอย่ตรงรูปของสัมปิเจ้า ไปติดอยู่ตรงเสียงประพุทธเจ้าจนดื่มตัวนะจนไลยมองดูตัวเจ้าของเลยมองมองไปข้างนอกทรงไปข้างนอกทั้งหมดนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุผลความเป็นจริงนั้นท่านมีอุบายสอนเราให้เราเข้าใจในธรรมะ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 ต่อพระพักของพระพุทธเจ้าของเราท่านก็อธิบายธรรมะไปให้ธรรมะไปให้ความเข้าใจไปและผลที่สุดท่านก็ย้อนหลังถามถึงสารีบุตรว่าท่านสารีบุตรท่านเชื่อแล้วหรือยังท่าสารีบุตรตอว่าข้าพระองค์ยังไม่เชื่อ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 เพราะมันไม่เชื่อจริงๆมันยังไม่เชื่อมันยังไม่เชื่อแต่ท่านก็รับฟังอยู่ไม่ใช่ว่าท่านได้รับฟังคํานี้พูดเรียกว่าคล้ายประมาทอนความจริงจิงองค์ภาษาดิบุรตรไม่ได้ประมาทเลยท่านพูดตามความจริงใจของท่านกว่าท่านยังไม่เชื่อพระพุทธองค์ท่านรสรรเสริญกว่านี้ภาษาดิบุรตรดีแล้ว นักปรารไน่ควรเชื่อง่ายๆควรไตรตรองพิจารณาแล้วจึงเชื่อมีเหตุผลที่ถูกต้องนี่เป็นตนก็แสดงความว่าพระสาริบุตนั้นฟังธรรมแต่รับฟังแต่ยังมิไดมาไดปฏิบัติให้เห็นด้วยตนเองอ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 แต่ก็ไม่เป็นอย่างนั้นท่านพูดตรงไปตรงมาใ้าความเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าทาา่านกรสานเสด็จอยู่แล้วว่าคนเชื่อตนเองคนเชื่อตนเองพระพุทธเจ้าสรรเสริญใ้คําที่ว่าเชื่อตนเองนี่ก็มีหลายอย่างนะมีหลายลักษณะลักษณะอันหนึง่งมีเหตุผลที่ถูกต้องตามสัจธรรม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 เป็นความเข้าใจที่สมาธิเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อใครยกตัวอย่างเช่นพีฆนกพรามในเมื่อพระพุทธเจ้าลงมาจากไถเดดโดยกิตตปุถุริยา น, นี่พีฆนกพรามคนนั้นเชื่อตอนเองมากไม่เชื่อคนอื่น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 ข้าพระองค์มีความเห็นอย่างนี้ว่าอันไดควรแก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าก็จึงเอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันใดไม่ควรแก่ข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าก็ไม่เอาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอย่างนี้เป็นต้นอืความเห็นเป็นอย่างนี้ คิดฐิเป็นอย่างนั้นเห็นความจริงในที่นี้อย่างนี้พระพุทธเจา้าท่านก็ฟังคิดฐิที่ข้าในข้าพรามอยู่ท่านได้ตอบว่าพรามพรามพูดว่ามีความเห็นว่า อันใดควรแก่พรามพรามขอจริงเอาอันใดไม่ควรแก่พรามพรามก็ไม่เอาอย่างน <Pues> ี้พรามคิดอย่างนี้ก็ไม่สมควรแก่พรามเหมือนกันไอ้ความเห็นอย่างนี้ก็ไม่สมควรแก่พรามเหมือนกันพอที่ท่านสวนตอบขมา อ, อย่างนี้ตอบพรามก็สดุดใจ เฉพาะเราเห็นว่าอันไหนควรแก่ค่าค่าจริงจะเอาอะไรไม่ควรแก้ค่าค่าก็ไม่เอานี่เขาต้องการอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะึตงตอบว่าไอความเห็นอย่างนั้นก็ไม่ควรแก่พรามเหมือนกันได้หมดเราได้หมดพรามไม่รู้ว่าจะเอาอะไร ท่านก็จยกอุบายหลายอย่างขึ้นให้พรามคนนั้นเข้าใจถ้าหากว่าพรามได้ของที่ไม่ชอบใจนั้นพรามจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าหากว่าพรามได้สิ่งที่พรามที่ไม่ปรารถนานั้นที่ไม่ควรแต่พรามนั้นพรามจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ <น>เป็นทุกข์พระเจ้าข่ามมันก็ขัดกันทิตับความเห็นของเราอืเป็นทุกข์พระเจ้าข่าถ้าเห็นว่าสิ่งทั้งหลายแล้วนั้นเป็นทุกข์สิ่งทั้งปวงนั้นไอความเห็นของพรามนั้นก็ไม่ถูกต้องเลยพรามก็เลยยุดพิจารณาจึงเข้าใจว่าเออ ไอความเห็นของเราเนี้มันไม่ถูกวกว่าคนทุกคนเนี่ยมันควรได้อารมณ์ที่ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างอันนี้พรามเขาจะ อ, อารมณ์ที่ชอบใจเา้าถ้าท่านถามว่าถ้า อ, อารมณ์ที่ไม่ชอบใจจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์ก็จะตายถ้าเป็นทุกข์ความเห็นของพรามนั้นก็ไม่ถูกเลย นี่เป็นต้นที่นิพพามนั่นก็าก็ทำตามความเห็นเขาด้วยมาอันใดชอบใจเขาก็เอาอันใดไม่ชอบใจเขาก็ไม่เอามันก็เป็นสุขเป็นทุกข์อยู่มาอุตรุษกันดีแต่ทาไปรู้เรื่องของเขาเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตอบปัญหาเช่นนั้นความก็ลดทิฏฐิมณะลงปิจารมาเดียวนั้น่ะถ้าเห็นแต่ในเดียวนั้นคลิกเดียวนั้นเลย มีหน้ามือเป็นหลังมือในเวลานั้นได้สรรเสริญในภาะสิทของพระพุทธเจ้าธรรมะที่พระพุทธเจ้าแกแดงแล้วว่าเมื่อได้รับธรรมะของพระพูทมีประภาคแล้วในปัจจุบันนี้จีตของข้าพระองค์ มีความแกมแ ก, มแกมแจ้งใสสว่างเหมือนเขาอยู่ที่มืดมืด ม, มีคนมาตามไฟให้สว่างฉันนั้นหรือหากว่าเหมือนกระมังที่มันคว่มอยู่เป็นต้นมันก็ไม่สามารถที่จะรับน้าได้ในกระมังนั้นบัดนี้เมื่อได้รับธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้ว ก็เหมือนได้ได้ช่วยงายกระมังขึ้นหรือเปรียบปริงว่าไม่รู้จักทางหลงทางไม่รู้จักทางก็มีคนมาชี้ทางให้รู้จักทางหลายอย่างที่ท่านอุปมาอุปไมให้ฟังตรงนี้อันนี้ ในความรู้อันนี้มันเกิดขึ้นที่จิตเดียวนั้นที่กิที่มันเปลี่ยนที่มันเปลี่ยนกับอาการที่มันเปลี่ยนเดียวนั้นแหละมันพลิกเดียวนั้นเหละความเห็นผิดมันก็หายไปความเห็นถูกมันก็ตามเข้ามาความมืดมันหายไปความสว่างมันก็เกิดขึ้นเดียวนั้นอื ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสได้ ว, ว่าที่ขนธพรามณ์นี้เป็นผู้่วงตาเห็นทำเพราะมาในสมัยก่อนๆที่ขนธพราหมณ์นี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในความหเห็นเของเห็นอย่างนี้เรื่อยมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงได้ไม่รู้สึกว่าจะพยายามเปลี่ยนแปลงในความหเห็นเช่นนั้นด้วยเหมือนกัน เมื่ออะไรถูกพระพุทธเจ้าของเราตอบปัญหานั้นจิตของท่านเขาไปรู้ตามความจริงหว่ความยึดมั่นหรือถือมั่นด้วยความเห็นของพรามนั่นจิตไปเมื่อความรู้ที่ถูกเกิดขึ้นมาแล้วก็เห็นความรู้ที่มันมีแต่ก่อน น, น, อ น, อนั้นว่ามันจิตอันจึงได้เปรียบว่าเหมือนอยู่ในทีมืดไม่มีคนมาตามไฟให้สว่าง อันนี้เวามมัน่น chắn น, นั้นในการเปล่งวาจาออกมานี้ออกมาจากจิตของทีฆนาคาฟามในเวลานั้นทีฆนาคาฟามก็ดูดไปจากมิจฉาทิฏฐิที่ยึดไว้ถือไว้เช่นนี้คนเรามันต้องเปลี่ยนอย่างนี้ปฏิบัติันต้องเปลี่ยนอย่างนี้ มันต้องเห็นเช่นนั้นมันจึงละของมันไปได้อย่างนั้นมันก็ทิ้งของเก่าไม่ได้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสมัยก่อนเราปฏิบัติไม่ดีไม่ชอบเราก็เห็นว่ามันดีมันชอบอยู่นั่นเองเราจึงทิ้งมันนีไปเมื่อเรามาประพฤติปฏิบัติพิจารณาแล้วมันเปลี่ยนขึ้นมาใช่มันกลับขึ้นมาครัหน้ามือเป็นหลังมือจิตนี้เปลียนอย่างนั้น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 ฉะนั้นนักประพฤติปฏิบัตินี้จึงสร้างความรู้อันนึ่งให้เกิดขึ้นมารู้ยิ่งไปกว่าจิตอันนี้ที่เราเรียกว่าที่เราเรียกกันว่าพุทโธเรียกว่าพุทโธคือผู้รู้อันนี้เกิดขึ้นที่จิตสมัยก่อนผู้รู้เกิดขึ้นที่จิตยังไม่มี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 อันนี้มันเป็นส่ น, นี้มันรู้มาจากที่นั่นแหละไม่รู้มาจากที่อื่นนีฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านเีว่าให้น้อมเข้ามาโอปานายโกน้อมเข้าอย่าน้อมออกไปน้อมออกไปแล้วก็น้อมเข้ามาดูเหตุผลมันให้หาเหตุหาผลที่ถูกต้องทุกอย่างเพราะว่า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 แต่ว่าอันนี้ก็จริงเหมือนกันแต่มีศรัทธาคือความเชื่ออยู่แต่ความเชื่ออันนี้มันนอกแนวเพราะว่าความเชื่ออันนี้มันไม่ประกอบไปด้วยปัญญามันจริงไม่มีความสามารถที่จะทำอย่างนั้นได้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้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 เมื่อปัญญาพูดถึงปัญญามันก็มีปัญญากันถึงนั่นแหละอย่างนี้อันนี้มันเป็นของยากมันต้องเป็นของคนคิดพิจารณาอย่างสติสัมปัญญะอย่างนี้แมวมันก็ไมีไม่มีสติมันเอาหนูไม่ได้ครับอืมนคนจะไปไล่มันมันก็วิ่งหนีก็ไา้แมว ถ้าไม่มีสติมันก็วิ่งไปไหนได้สัตว์ทั้งกวงมีสติสัมปชัญญะทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่าสตินั้นสัมปชัญญะอันนั้นมันเต็มสติสัมปชัญญะที่นอกแล้วไปเสียมันเป็นมิจษาสติไปเสียมันมียุทธุพุททุกอย่าง สติสัมปะชะะที่ในทางกสรุปทำอยังสติสามโพธ ช, ชงอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่สติอย่างนั้นมันเป็นสติสัมปัชะะที่เป็นองค์กัารสรุป ธ, ธรร ม, มะเนื่ยคนทําผิดผิดมันก็มีสติเท่านั้นแหละมันเป็นมิจฉาสติมิจฉาสมาธิความสงบมันก็มีเหมือนกันมันก็เป็นมิจฉาสมาธิไปก็ได้ อย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปอท่านจึงเรียกว่าเรามาปฏิบัติที่มาภาวนาหรือเราจะฟังธรรมะแง่ใดแง่หนึ่งก็ตามเถอะท่านจึิงตั้งใจฟังให้ตั้งใจฟังให้รับฟังเราจะชอบในธรรมะข้อนั้นเราก็ต้องฟังเราไม่ชอบในธรรมะข้อนั้นเราก็ต้องฟัง แล้วก็ต้องฟังฟังไว้ปลาทั้งหลายต้องฟังอย่างนั้นรับฟังทุกประการทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าฟังไม่ได้ปฏิบัติเราฟังเพื่อปฏิบัติจิตใจของเรานั้นยังไม่ฟงังใสบริสุทธิ์สะอาด แล้วก็เชื่อใจของเรายังไหนได้ถ้าเชื่อใจของเรายังไห่ได้เราก็ไม่รู้จากว่ามันผิดจริงหรือถูกจริงหรืออย่างนี้แล้วก็ยังรู้ของเราไม่ได้ฉะนั้นเมื่อเราปฏิบัติก็ต้อรับฟังบางสิ่งสิ่งที่เราคิดว่ามันผิดมันอาจถูกก็ได้เพราะเรายังไม่รู้แจ้ง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 เมื่อท่านออกบวชใหม่ๆท่านก็แสดงหามมระธรรมเหมือนกันไปดูอะไรต่ะดูไปทุกอย่างที่มีปัญญาแสดงหาครูบาอาจารย์อุตตกราบทอรัญลาบทอย่างนี้ท่านก็ไปไป ท, ดไปทาดูไปพิจารณาดูเขาไปปฏิบัติ ด, ดู นั่งสมาธิยังไม่เคยนัง่งท่านก็ไป น, นั่งรู้นั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดับตาเอยอย่างนี้ก็ดีเหมือนกั น, นอะไรก็ปล่อยวางไปหมดอาลาหุนโธเปนมาเทียบเอ๋อเนี่ยเมือ่อเาโธกันมาแล้วเมื่อครู่เขาไปยึดมั่นถือมั่นในจีตนั่นท่านก็รู้จักว่าเอออันนี้ ปัญญาเรายังไม่รู้อยังไม่แจ่มแจ้ ง, งยังไม่เข้าถึงยังไม่จบเนยังเหลืออยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ท่านก็ได้ความรู้นั้นกันตรงนี้ไม่จบท่านจะออกไปใหม่จะเลกนะกสูบาอาจารย์เมื่อออกจากครูบาอาจารย์องค์นี้ท่านก็ไม่ดูถูกไม่ดูหมิ่นอ่า ทา่านทำเหมือนกันจะแมลงปูที่มันเอาน้าหวานในสีดอกไม้ม ah ok ไม่ให้ดอกไม้มันครับอย่างนั้นตรงมันการท่านนั้นอรันดาบทไปเห็นอีกท่านก็เรียนอีกได้ความรู้สูงยิ่งไปไกลเก่าเป็นสมาบัติสมาบัตินี้เมื่อออกจากสมาบัติมาแล้ว เอราพิมพาราหุนก็โผลขึ้นมาอีกเรื่องราวต่างๆก็เกิดขึ้นมาก็ยังมีความกำหนัดรักให้อยู่ท่านก็เห็นในจิตของครั้งว่าอันนี้ก็ไม่ถึงที่สุดเหมือนกั น, นท่านก็เลิกแล้วไปอย่างนี้เป็นโทษอันนี้ท่านพยายามท่านฟัง ท, ท่านฟังทีนี้อทําไปชนิดสุดมิสัยของท่านท่านก็มามองเห็นปีณาแล้วว่า พระพุทธเจ้าทั้งหลายนี้การตรุจทางจ่ยท่านค้นของการตรวจสอบดูผลงานของท่านตลอดการตลอดเวลาไม่ใช่ว่าท่านทาแล้วท่ิ้งไปก่านทําแล้วท่ิ้ง้องกันไปไม่ใช่อย่างนั้นท่านติดตามผลงานของท่านตลอดเวลาทีเดียวอืมเมื่อเห็นว่าการกระทําเพียงทางจิตนี้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 ในเป็นโจรเข้าใจว่าเขาเป็นโจรเลยไปตะคอกเตียวพวกนั้นไปคุมขังเตียวพวกนั้นไปเบียดเบียนเียวพวกนั้นด้วยเป็นไปในถนงนี้เมื่อท่านพิจารณาไปแล้วท่านรู้ไม่ใช่เรื่องของกายมันเป็นเรื่องของจิตการมาสุการิาการิโยโคนี่อัตต์จิรมาานิโยโคนียมันเกิดผลอย่างนี้ พระพุทธเจ้าผ่านแต่รู้แล้วจึงเข้าใจว่าอันนี้รู้แล้วว่าอันนี้มันไม่ใช่คนนี้อันนี้มันเป็นคนมันเป็นกายในความจริงริพระพุทธเจ้าทางไานนั้นจะกัดตระพูทางจิตต่อมานั่นทา่านจะมาจะเดินทางจิตจิตนี้เป็นของที่สํำคัญแต่ก่อนมาแต่คนหนึ่งไปขโมยแต่ไปจับคนหนึ่งคนหนึ่งทําผิดไปไปให้โทษคนหนึ่ง อย่างนี้มันไม่ถูกทีนี้ท่านกลมาตั้งจิตอธิษฐานเดียทีกรนาใหม่เรื่อของจิตเป็นเรื่องของจิตแล้วนั่นท่านจึงมาบำเพ็ญทางจิตเรื่องกายก็ปล่อยมันธรรมดาของมันไปเรื่อยไปทีนี้รู้แล้วรู้ตัวมันเกิดเนี้ยรู้เหตุเนะียรู้เหตุที่มันเพียเกิดเนี้ย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 อย่างนั้นท่านจึงน้อมเข้ามานี่ไม่ได้น้อมออกไปท่านจึงน้อมเข้ามาพิจารณารวมลงที่จิตนั้นท่าจิตให้สงบแล้วท่านก่อจิตที่สงบนั้นมาพิจารณาให้รู้เท่าสะโกนตายทั้งหลายทั้งปวงนี้ อ, อันหนึ่งมันเป็นลูกอันหนึ่งเป็นนาม อันหนึ่งมีรูปอันหนึ่งไม่มีรูปมันเป็นแต่เพียงอาการมองเห็นด้วยตาก็มีมองเห็นด้วยตาไม่ได้ก็มีคือนามรวมเข้ามาสองอย่างคือกายกับจิตนี้เรียกว่ารูปนามนะท่านจริงมาเรียนในรูปรูปนามอันนี้เรียนในรูปรูปนามอันนี้คือรูปกายกับจิตอันนี้ ไอ้ติดตัวมนุษย์สัตว์ทางหลายถือว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขานี้ก็คือรูปนามนี้รูปนามนี้ก็คือกายกับจิตนี้ย่อเข้ามาที่สุดด้วยทีเดียวให้เห็นชัดอย่างอื่นไม่ต้องพานนาไปมากท่านก็ทีนามนีสติอยู่ที่กายที่กิตของท่านตรง น, นี้ไม่ได้ห่างกิตจากของแล้ที่นี่รู้จักเหตุมันแล้ว มันเกิดที่นี่ท่านก็ดูมันอยู่ที่นี่มมันเกิดที่นี่ถ้ามันดับมันก็ดับไปที่นี่ไม่ไปเกิดที่อื่นไม่ไปดับที่อื่นมีความมั่นหมายเขาแล้วที่นี่ชัดเจนเนี่ยท่านก็ตั้งใจบาเพ็ญเพียมดูอาการของจิตเรื่องกายก็ดีเรื่องจิตก็ ด, กดีรู้แล้วมันก็ให้รวมมาเป็นเรื่องเป็นเรื่องอนันตรจัง เป็นเรื่องทุกขังเรื่องอานาตามันเป็นสเปียงว่าธรรมธาตุอันหนึ่งมันเกิดขึ้นเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็สลายไปมีเหตุมีปัจจัยมันก็เกิดเป็นมาอีกเกิดมาแล้วมันก็ตั้งอยู่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 มีเพียงว่าเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็ลำไปเป็นตะเพียงว่าความรู้สึกชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นเนีมันก็หมุนเยนเปลี่ยนไปเท่านั้นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายนั้นก็มาเข้าใจว่าการเกิดขึ้นนั้นเป็นเราการตั้งอยู่เป็นเราการแบบไปนั่นมันเป็นเรานะ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 ก็เพราะเห็นมารูปน้ำนี่เป็นตัวเราเป็นของเราจึงอยากจะมีความปรารถนาอยากจะให้รูปน้ำเป็นอย่างนั้นถ้าความเห็นเป็นอย่างนี้มันก็คล้ายกับว่าอสร้างทำนบสร้างเขื่อนไม่มีทางระบายนะ้ํำนะ โทษมันก็แค่เขื่อนมันจะพังเท่านั้นเองเนี่ยไม่มีทางระบายอันนี้ตัวมอนกันฉันนั้นทีนี้พระพุทธองค์เห็นว่าอเมื่อความคิดเป็นเช่นนี้เมื่อความเห็นมันเป็นเช่นนี้อันนี้แหละคือเป็นเหตุในทุกข์เมื่อคิดเช่นนั้นปฏิบัติเช่นนั้นพอใจเช่นนั้นทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาเดียวนั้นนี่ท่านเห็นเหตุอันนี้ ท่านยิงแต่ละอันนี้คือสมุทัยสัตว์ทุกขษัตย์นิโรธสัตว์แมกขสัตว์มันติดอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นล่ะติดที่ตรงนี้คนจะหมดสงสัยก็หมดที่ตรงนี้เมื่อเห็นว่าอันนี้มันเป็นรูปนามนี้คือกายกับใจนี้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 นักปฏิบัติในสมัยนี้นั่นมันมีคนฉลาดมากแต่งการประพฤติปฏิบัตินี้จนพวกเราทั้งหลายจะจับไม่ถูกนะ จับการปฏิบัติไม่ถูกไม่รู้ว่าเจ้ากับใครเป็นน่นเป็นนี้สารพัดอย่างแต่ว่าก็เป็นแต่คนที่ยังไม่แน่ชัดในใจของเราถ้าเรารู้จะเหตุผลตามเป็นจริงที่ถูกแล้วนั่นไม่หวั่นไหวอย่างสมัยนี้ไปดูนั่นภาวนาไปดูนั่นไปดูนี่ไปหาพระพรมนู่นหาเทวานู่นตามยิน ญ, ญาณ น, นู่นยิน ญ, ญ, ญาณ น, นี้เพราะว่ากันไปตามเรื่องมันเออ ไอเราที่นักปฏิบัตินี้ก็ยังไม่รู้เรื่องการเปรน็นจริงก็วนบินบิ่งไปเรื่อยใ้ความเป็นจริงท่านไม้ไปไหว้พระโภมหรอกไม่ไหว้เทวดาตรงไหนหระมาห้แต่าดวงวิญญาณที่ไหนหรอกจะพูดสั้นๆง่ายๆวิญญาณก็คือตัวรู้เรามีหูที่นี่เราก็มีวิญญาณผมพูดไปแต่รู้จักนั่นวิญญาณ จะมูกร้องติ่นเหม็นนั่นก็รู้แล้วนั่นวิญญาณหอมก็รู้เป็นวิญญาณจักปูกิญญาณโสตกิญญาณทานะกิญญาณชิวหานิญาณกายกิญญาณมโนกิญญาณรูปวิญญาณตรงนี้ก็พอแล้ววิญญาณนี่ก็ไม่ชัวร์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอีกแหละท่านมม่ยุดมั่นถือมั่นอีกอันนี้มันก็เป็นเออ นามมาทำอีกอันนึ่งอีู่ลยมันก็อยู่ในรูปทำนามทำนี่แหละถ้าเรารู้จากลักษณะของมันตามเป็นจริงแล้วแล้วก็รวมลงมาเช่าว่าอันนี้ร้วนแต่วมันเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทางนั้นร่วนแต่ว่ามันเป็นทุกขังทางนั้นมันไม่เที่ยงทางนั้นร่วนแต่ว่ามันเป็นอนิจจังทางนั้นจะไปจับที่ตรงไหนแล้วเนี่ไปแตะตรงไหนมันก็ทุกข์ละ ไปยึดไม่ได้เพราะไม่เจตัวไม่เจตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแล้วเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งตั้งจะมาหลับไปไม่มีใครจะมีอํานาจเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นที่เรามาปฏิบัติแหรู้ตามสิ่งตั้งหลายแล้วนี่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่มีอํานาจจะกไปเกี่ยวข้องในที่นั่นไปบริหารการงานในที่นั่นไม่มี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 แรงแรงก้อนมันก็ไปเผาไฟใเงไหมมันร้อนอยู่ทั้งหมดนั่นแหละอย่างนั้นทำนี่เป็นอย่งนั้นบุตรจะเอามือไปแตะ้างบนมันก็ร้อนไปแตะทางล่างมันก็ร้อนไปแตะ้างข้างมันก็ร้อนนี่ไปแตะข้อทางโน้นทางนี้มันก็ร้อนเพราะอันนั้นมันร้อนให้เราเข้าใจอย่างนั้น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 แล้วก็ทำไปสอนไปเรื่อยๆไปให้มันสงบที่นี้เมื่อกิตสงบแล้วก็ยังหลงอยู่อีกว่าจะทำยังไงนายหยต่อไปเนี่ยวุ่นวายเขาก็เห็นแล้วไม่ชอบมันเ้าชอบความสงบวันนี้มาทำจิตให้มันสงบแล้วมั น, เ, นเขาก็ตอบว่าเ้าก็ไม่เอาอี ก, กว่าจะทำยังไงอีกต่อไปนี่แหละเป็นตัว เพระนั้นการทําปฏิบัตินี้ทุกอย่างพวกเราทาั้งหลายนั่นเลยทำโดยการปล่อยวางทำโดยการปล่อยวางการปล่อยวางนั่นมันจะปล่อยวางได้ยังไงมันเกิดความรู้เท่าเหมือนจะให้ดูเรารู้จักว่าลักษณะของจิตมันเป็นอย่างนี้ลักษณะของกายมันเป็นอย่างนี้เรานั่งเพื่อความสงบ แปลว่าเรานั่งเข้าไปแล้วมันเห็นความไม่สงบคืออาการของจิตมันเป็นอย่างนั้นเองมันนะก็เราตั้งจิตที่ลมหายใจของเราที่ปลายจมูกหรือริมจีบปากของเราเร่นี้เราจะทำสมาธิเราก็ยกขึ้นมาตั้งตรงนี้ไว้ คือความรู้นั่นแหละตั้งตรงนี้ไอการฝึกใหม่ๆมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อยกขึ้นมาตั้งเป็นไวเนียกว่าเป็นวีตกยกไว้เมื่อยกเป็นวีตกุกกำหนดอยู่ที่นี่นะไอวีตกนี้เป็นวิจารณ์นะคือการวิจัยการวิจัยที่ ปลายจมูกหรือทีลมเนี่ยนะเป็นแถวๆไปไปื่ยมันจะเป็นวิจาร์วิจาร์นี้มันจะทุกขีกับอารมณ์ของเก่าๆเราวนี่ย น, นะอารมณ์อะไรก็ช่างมันเถอะมันก็ต้องพเจาณาเรื่องที่มันเกิดไปมานั้นทุกขีไปกับอารมณ์ด้เรื่อยไปเป็นธรรมดาของมัน เ, นเราก็คิดว่าจิตมันจะไม่นิ่งไม่อยู่ใช่้ไหะ ไอ้ความเป็นจริงอันนั้นนะ่ะมันเป็นมันเป็นวิจาร์มันต้องคลุกคลีไปกับอารมณ์แบบนั้นทีนี้เมื่อมันถล่มไปในทางที่ไม่ดีมากเป็นอารมณ์มากมันจะดึงไอ้ความรู้สึกวิกจิตลองเราออกหา่างไต็มากเรามีสติอยู่เราก็ตั้งใจขึ้นใหม่ยกขึ้นมาตั้งตรงนี้อีกนะเดี๋ยววันทีตกนี้เมื่อเราตั้งอยู่สักประเดี๋ยวหนึ่งมันเกิดดิจาร์ตริจาทั้ พุ่งีไปกับอารมณ์เรื่อยไปแต่ว่าเมื่อเราเห็นอาการเป็นเช่นนี้ไอ้ความไม่รู้ของเรานั้นกเกิดขึ้นมาว่ามันไปทําไมเราอยากให้มันสงบทําไมมันไม่นิ่งอย่างนี้ไอ้ความเป็นจริงนั่นคือเราทําไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นของเราถ้าเราเข้าใจเสียว่าไอ้กิริยาของจิตมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้น เรามาเข้าใจแสียอย่างนี้ซะอันนี้เราไปเพิ่มว่าเราอยากให้มันนิ่งทําไมมันเป็นอย่างนั้นได้ไม่พอใจได้เอาไปทับกันต่ออีกทีมันก็เลยเพิ่มความสงสัยเพิม่มเพิ่มความทุกข์เพิ่มความความวุ่นวายขึ้นมาอีกไอความไปจริงถ้ามันมีวิจารณ์มันคิดไปาตามเรื่องตามราวกับอารมณ์เร่อยไปอย่างนั้นถ้าเรามีปัญญานะเราก็ควรเอออันนี้เรื่องจิตมันเป็นอย่างนี้เองนะ ผูรู้ึงบอกอยู่ตรงนั้นเรื่องกิจมันเป็นอย่างนี้ของมันเด่นอยู่แล้วนี่อย่างนี้มันก็สงบลงไปเมื่อไม่สงบเป็นตรนระยวกเป็นวิตกขึ้นมาตั้งใหม่ตรงเนี้ในภาคหนึ่งเนี่มันอยู่ความสงบของมันไปน้อยมันก็เกิดวิจารเ์็กตามอารมณ์นีกวิตกวิจารมันเป็นอย่างนี้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 แตเพราะเราอยากให้มันสงบมันไม่สงบตรเนี้ยตรงนี้มันเป็นเหตุคือความเห็นผิดถ้าเรามาเปลี่ยนความเห็นสักนิดหนึงว่าเออกิริยาจิตมันก็ต้องเป็นของมันอยู่อย่างนี้เท่า น, นี้มันก็ลดลงแล้วนี่เดียวกว่าการปล่อยวางเราก็มีแล้วแล้วก็ทําไปทีนี้วิจตกวิจารณนั้นไอการวิจารณนั่นต่อไปนะอีการนั่น ถ้าเราคิดเช่นนี้ในยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้คือเรียกว่าทําโดยการปล่อยวางปล่อยอยู่ในการกระทํานั่นแหละกระทำอยู่ในการปล่อยนั่นแหละปล่อยอยู่ในการกระทํากระทำอยู่ในการปล่อยอย่างนี้ให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่ในใจของเราไอ้ที่เรื่องนิจานนั้นมันก็ไม่มีอะไร ถ้าจตเราหยุดวุ่นวายในเรื่องวิจารณนั้นวีโตกวิจารณ์ไอการวิจารณ์นั้นมันจะเป็นเรื่องซอกค้นหาธรรมะนั่นน่าจะเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ซอกค้นหาธรรมะมันจะไปเกิดวุ่นวายอยู่ตรงนั้นแหละถ้าเราคิดไม่ถูกไอความยิงยิงวีโตกแล้วกว่าวิจารณวีโตกวิจารณให้วิจารมันจะค่อยละเอียดไปนะเดือดไปที่แดงกว่าวิจารณไปประลำประละไปทั่วไป พอเรารู hmm. ้จากว่า mm กิริยาของกิจมันต้องเป็นอย่างนั้นเองของมันมันเป็นอย่างนั้นมันไปทําไมใครถึงนั้นเนี่ยนี่มันเป็นยที่ตรงเราไปยึดมั่นถือมั่นนี่ตรงนั้นมันไม่เป็นอะไรเอราะมันดีนะอย่างน้ามันไหลมันก็ไหลเพรมันไปตามน้ำอยู่นั้นเนี่ยถ้าเราไปยึดมั่นมันไหลไปทําไมเกิดทุกข์แล้วถ้าเราเข้าใจว่าเออน้ามันก็ไหลตามเรื่องมันมันก็ไม่มีทุกข์แล้วมันก็ไหลของมันอยู่อย่างนั้น ไอ้เรื่องวิจารนี่กคือมันกัณชนนั้นนี่ตกแล้วกว่าวิจาร์นี่ตกแล้วกว่าวิจารณคลุกขีคลุกอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นจะเราทําจะเราเอาอารมณ์นั้นมาทํากรรมฐานในจิตสงบก็เอาอารมณ์นั้นนะมันเป็นอารมณ์จิตสงบนั้นมันก็เป็นอารมณ์เอาอารมณ์นั่นแหละมาวิจารณ์นี้กคือมันกัณกับอารมณ์นั้นถ้ามันรู้เรื่องของจิตอย่างนี้มันก็ปล่อยวาง ก็ปล่อยหน้าใน ม, มันไหลไปไอเรื่องวิจาร์นั่นก็ละเอียดเข้าไปละเอียดขั้วไปเนี่ยมันจะหยิบเอาสังขารขึ้นมาวิจาร์ก็ได้ความตายมาวิจาร์ก็ได้เอาธรรมะอันใดหนึ่งมาวิจาร์ก็ได้นี่เมื่อมันถูกเช่นนี้นะเมื่อมันถูกจะดิตมันขึ้นเมื่ อ, อไรนะมันก็เกิดความยิ้มขึ้นมาเนี่ยความยิ้มขึ้นมาคืออะไรคือปีติ ยีตกวิจารปีติมันถูกลักษณะมันแล้วนี่มเมื่อละเอียดมากก็ตกเป็นอย่างนี้เกิดปีติความยินใจเกิดปีติความยินใจขึ้นมาแล้ว น, นี่มันเข้าขั้นกับละเอียดกับไปเนี่ยเกิดสุขขึ้นมาเกิดปีติความขน ทองสยองก้าสู้สาดมาหอตัวเบาอะไรเนี่ยใจมันก็อิ่มแล้วก็ิิตัก็มีความสุขในทีน่นันอีกไอความสุขมันอยู่ที่นั่นแหละปรากมอยู่ที่นั่ น, นแล้วก็ทั้งมีความสุขอีกก็มีอารมณ์อยู่อารมณ์มันก็ผ่านอยู่ก็เป็นเอกกาตาลม เ, เอกะกะตาลม มีอารมณ์อยู่แต่เป็นเอก ก, กตารมคืออารมณ์เดียวนี่ถ้าพูดไปตามาคณะของจิตมันต้องเป็นอย่างนี้วิตกวิจารปิติสุเอก ก, ะ ก, ะกตจจานี่ถ้าขั้นที่สองไปเป็นไงละ่ะจิตมันละเอยียดแล้ววิตกวิจารหยาบมันหยาบมันก็ล้นไปอีก แล้วก็ทิ้มีตกวิจาเดือดแต่ปีตีสุขเอกกาจานอันนี้เรื่องจิตมันดำเนินการเองวันน่าไม่ต้องรู้อะไรมันรู้ความเป็นอย่างนี้บัดนี้วิตกวิจาร์ไม่มีเดือแต่ปีตีสุขเอกก า, า, า, ากจ า, แานแล้วก็รู้จักปีตีมัมนหนีไปไหนมันมา น, นี้ไปที่ไหนหรอก กิจของเรามันละเอียดขึ้นไปมันก็ทิ้งส่วนที่มันหยาบเท่านั้นเองส่วนไหนมันหยาบมันก็ทิ้งไปมันก็ทิ้งไปเรื่อยๆไปจนจ น, จนถึงที่สุดของมันที่ท่านเด็กกำลังว่าฌานนี่อะไรของท่านนะสงบถึงที่สุดแต่แเราก็คือมันทิ้งทิ้งทิ้งไปเลยด้วยเอกตาอุเบกขานะี่มันก็ไม่มีอะไรเท่านั้นนะ่ะมันจบ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 เรื่องนั้นมันไม่สงบอยู่แล้วแล้วคนที่อยากใครมันเป็นสงบไอ้อยากนี่แหละมันเป็นเหตไม่ใช่อื่นนี่นี่คือความอยากอยากใครมันสงบนี่เราไม่เข้าใจว่าทันหาเราอยากให้จิตสงบไอ้ตัวนั้นทำไม่สงบแล้วก็เพิ่มน้ำหนักขึ้นอีกนี่แล้วก็ยิ่งอยากขึ้นมันก็ยิ่งไม่สงบขึ้นนี่ก็เรื่องการทะเลาะกันทะเลาะกันไปเรื่อยๆไม่ได้หยุดเออก็เลยนั่งทะเลาะกันคนอยู่นั่นแหละนี่ก็เพราะอะไร พราะเราไม่น้อมกลับมาว่าเราจะตั้งจิตอย่างไรไอรู้สะพาว่าของมันเพราะว่าเรื่องคณะจิตมันก็เป็นของมันอย่างนั้นถ้ามาเกิดขึ้นมาในเวลาใดต้อราพิจารณาจากในเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเรื่องจิตเนี่ยลักษณะของจิตมันเป็นอย่างนี้มันไม่ไปทำไมใครอ่ะเนี่ยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นโทษมันก็เอาใหญ่ตามแก้มันไอความเป็นจริงมันไม่มีโทษดอกเห็นว่าลักษณะอันนั้นมันเป็นอย่างนั้นเท่านั้น อถ้าจะตั้งมีถกวิจารณนมีถกวิจารนเนี่ยมันก็พรลงมาพ่อนลงมาด้วยด้วยด้วด้วยมามันก็ไม่รุนแรงที่มันมีอารมณ์มาแล้วก็วิจารณไปวิจารณหรือวิจัยนั่นแหละคลุกคลีไปกับอารมณ์นั่นแหละมันจะรู้เรื่องอยู่กับอารมณ์นั่นเองไม่ใช่อื่นอันนี้เราไปทะเลาะกันก่อนเขาแล้วก็เราตั้งใจเร้ยเกินว่าเราอยากจะทําความสงบ เมื่อนั่งคุกต่อไปแล้วอารมณ์มากวนเลยยกขึ้นมาใส้นี้มาอยู่แหละแล้วปพิจญญาออกไปแล้วตามอารมณ์แล้วคนนึกว่ามันมากวนเราแล้วก็ความเป็นจิตมันเกิดจากที่นี่น่ะเกิดจากความเห็นอย่างนี้น่ะที่มันอยากอยากนี่แหละถ้าหากเราตั้งใจเห็นว่าเออไ อ, อเรื่องจิตนี้มันก็เป็นจิตอย่างนี้มันเป็นเพราะออยู่ไหมันก่ออาศัยการไปการมากิริยาของมันนีะมันก็เป็นของมันอยู่ยางนี้น ถ้าเราไม่เอาใจใส่มันจะถ้าเรารู้เรื่องของมันจะ้ะแล้วมันกันกระรารู้เรื่องของเด็กไม่ น, อน้อยมันไม่รู้จักอะไรมันจะมาพูดกับเราพูดกับแขกมันจะพูดยังไงก็พูดไปตามเรื่องมันไปถ้าเราไม่รู้เรื่องของเด็กแล้วโปรต้อก็เป็นทุกข์เปียกอะไรเกิดขึ้นมาอย่างนั้นถ้าเรารู้จักเรื่องของเด็กแล้วแล้วก็ปล่อยทั้งนะ้หนึ่งเด็กมันก็พูดกับมันไปอย่างนั้นนะเด็กทุกๆคนมันก็เป็นอย่างนั้น เมื่อปล่อยภาระอย่างเนี้ยไอ้ความไปยึดในเด็กนะ น, นั้นก็ไม่มีอนั่นจะปรึก ษ, ษาในกัรแล้วก็พูดไปตามสมายเรื่องเด็กมันก็คุยก็เล่นไปตามธรรมดาของมันไอ้เรื่องอารมณ์นี่มันก็มันกันเป็นต้นเรื่องของจิตนี่มันก็ต้องเป็นของมันอยู่อย่างนี้ไม่มีทิศอะไรนอกจากเราไปหยิบ ม, ม, มันขึ้นมาเลยไปยึดมันหรือไปตะคุบมันเท่านั้นแหละมันก็เป็นเด็ขึ้นมาทีเดียว<ม>แต่เรามีสติอยู่ไม่ให้ปล่อยสติ ถึงมันมีอารมณ์เราก็มีสติ